มาเก็บตกเชา้านี้ก็จะพูดเรื่องหัวโขนกับความไม่เที่ยงคือช่วงนี้เป็นช่วงที่คนแก่กเกษเสียอายุผู้พู ด, พดก็เลยเปลี่ยนเรื่องพูดที่จริงไม่ได้กะพูดเรื่องนี้หรอกเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์เพิ่งคิดที่จะพูดเมื่อเย็ยนเองหัวโขนหรือตําแหน่งนต่างๆเนี่ยทาให้คนมีความสุขใครๆก็อยากจะได้ตําแหน่งที่ดีๆแต่ลึกๆแล้วก็แขวงด้วยความทุกข์พราะตำแหน่งนต่างๆเนี่ยใครๆอยากได้แล้วมันก็ไม่เที่ยง คนแก่ที่กเกษียายุเนี่ยถือว่าโชคดีนะที่ไม่ตายก่อนได้มีโอกาสอยู่จนถึงกเกษียณเดี๋ยวนี้คนอยู่ถึงกเกษียณนะ ย, ยากเจออุปสรรคมากมายบางคนก็ต้องถูกไล่ออกลาออกต่างๆมากมายที่เป็นอุปสรรคไม่กเกษียณง่ายๆหรอกคนแก่จะเห็นความไม่เที่ยงเห็นสชะตาชีวิตมากกว่าคนหนุ่มสาวเราจะเห็นเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยหลงมากเลยเด็กจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย ห่วงกินห่วงเล่นห่วงเที่ยวจะไม่รู้ถึงความจริงของชีวิตว่าเราเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพาคสูญเสียสิ่งต่างๆที่ออรักยึดอะไรก็ไม่ได้ด้วยในโลกนี้ความคิดมันยึดแต่ในโลกความจริงมันยึดไม่ได้พอยึดไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องทุกเวลาสูญเสียกันไปในโลกธรรมเนี่ยมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีสเสลมีินทา ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็จะเจอไม่ค่อยแรงแต่ถ้าเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงๆเนี่ยจะเจอรับแรงกระแทกกว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งไม่มียศอะไรชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเจอโลกกระทำก็น้อยยิ่งถ้าใครไปนายกก็ะระ ด, ดูด่าเป็นประธานที่วดีหรืออยู่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบสู ง, ส, งสูงเนี่ยจะต้องถูกเรียกร้องถูกคาดหมายเนี่ยก็จะถูกด่าถูกดินทาถูกใส่ร้ายสารพัดแล้วก็ห้ามความคิดคนทั่วไปไม่ได้ด้วย โลกธรรมจึงเห็นได้ชัดสาระคนที่มีตำแหน่งถ้าเราอยากใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขเราก็ต้องปล่อยวางหัวโขนให้เป็นไม่ยึดกับตำแหน่งรู้จักใช้รู้จักวางทำให้ผู้พูดนึกถึงหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่งเมื่อสมัยร้อยกว่าปีก่อนคือสมเด็จพุจา์โตผมบุังสีแห่งวัดละคังหลวงพ่อโตหรือขัวโตเนี่ยจะเป็นตัวอย่างได้ดี เกี่กับเรืหัวโขนเพราะท่านมียื่อเป็นถึงสมเด็จแต่การใช้ชีวิตของท่านเนี่ยเรียบง่ายสันโดษบางทีก็เป็นกรรมกรด้วยซ้ำโดยไม่ยึดถือตําแหน่งเลยต่างกับพระรูปอื่นที่บางคนเนี่ยไม่ต้องเปสมเด็จหรอกเอาแค่เป็นเจ้าหน้าตาบลเจ้าหน้าอำเภอเจ้าจังหวัดเจ้าหน้าภาคหรือเจ้าขุนชั้นสูงเนี่ยต่างเนี่ยเขายึดตําแหน่งยึดแล้วก็ไหลหลงเป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งที่มันเป็นของชั่วคราวของไม่เที่ยงหลวงพ่อโต สมัยที่ท่านยังไม่เป็นสมเด็จนะยังเป็นเจ้าคุณเป็นพระธรรมกิติในหลวงให้ไปคองวัดละกลงโดยเป็นสมภารท่านรับตําแหน่งพระธรรมกิติเนี่ยก็ได้ทั้งพัยดยศย่ามและเครื่องไทยธรรมหลายอย่างเลยท่านก็เดินทางออกจากพระบรมหาราชวังเดินหอบของไปนะไม่ยอมให้ใครช่วยด้วยลูกศิษย์เยอะแยะอย่าช่วยท่านไม่ยอมท่านกหอบไป และเดินไปที่ท่าช้างเพื่อข้ามฟากไปวัดละคังข่าวๆที่ท่านจะไปคองวัละคังเนี่ยรู้ไปถึงหูของพระเนรและชาวบ้านก่อนละพวกพระเนรชาวบ้า น, นว่ายืนรอที่ศาลาหน้าวัละคังอะ่ะหลวงพ่อโตท่านก็นั่งเรือข้ามฟากคือจ้างเรือแจวข้ามฟากแบบคนเดียวนะ ซึ่งเป็นที่เหนือความคาดหมายของพระเนที่รอต้อนรับเพราะว่าคิดว่าท่านคงมีคนมาส่งมากมายมาแบบอลังการเลยใครมันถึงท่าน้ําวัดละคังท่านก็หอบของเดินขึ้นมาแล้วก็เอ่ยปากบอกว่าในหลวงให้ฉันมาเป็นสมภารที่นี่จ้าว่าแล้วก็เดินรอบวัดละคัง สร้า ง, งความหงงให้กับพระเนที่ต้อนรับก็เลยเดินตามไปขบวนเลยหลว่ชาวบ้านแถวนั้นด้วยเดินหนึ่งรอบแล้วท่านก็เข้ากุฏิปิดประตูงเงียบเลยอันนี้สร้า ง, งความหงงให้กับพระเนในวัดมากเพราะปกติเนี่ยเจ้าวาคนใหม่จะต้องประชุมเสื่อชี้แจงการปกครองวัดแต่หลวงพ่อโตเนี่ย ท่านแสดงธรรมโดยไม่ยึดถือตําแหน่งปิดประตูกุฎทั้งันนะไม่ยอมต้อนรับไม่รับแขกเพราะปกติแล้วต้องมีแขกมาอวยพรามากมายมาแฟดความยินดีท่านปิดประตูไม่รับแขกเลยอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องแรกที่ท่านปองวันละครตัวหลังท่านก็เป็นสมเด็จโดยเลื่อกตาแหน่งแต่ก็เหมือนเดิมหลวงพ่อโตก็ใช้ชีวิตง่ายๆบางคก็พายเรือเองไปนู่ไ ป, ป, ป น, นี่หรือยกของเองไม่ค่อยใช้ลูกศิษย์ีอยู่ครั้งหนึ่ง มีคนนิมนต์ท่านไปฉันเพลนก็คงเป็นงานใหญ่เหมือนกันท่านก็เอาพัยดยศไปด้วยขนทางที่จะไปเนี่ยเป็นสวนจะต้องเข้าคลองเล็กไงช่วงนั้นเป็นช่วงที่แลดูแบบน่าจะเป็นหน้าแลรงน้ําลดพอถึงสวนเรือสำปั่นก็เข้าไม่ได้คือท่านมากับเนนเนนโดยเนนภายภายหัวไพรท้า ย, ท, ายท่าน น, านั่นงกลางนั่งลงกลางเน พอเรือสมปันติดไปไม่ได้เนนก็ลงไปไปเข็นเข็นก็ยังไม่ไปหลงวงพ่อโตก็เลยลงไปเข็นด้วยโดยฉลกจีวรเนี่ยขณะที่ลงไปเข็นเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเห็นก็ตะโกนออกมาว่าเร็วๆมาช่วยกันสมเด็จ เ, เข็นเข็นเรือโว้ยสมเด็จเข็นเรือหลงวงพ่อโตก็เอ่ยขึ้นว่าฉันขวโตจ้าไม่ใช่สมเด็จ สมเด็จอยู่บนเรือแล้วก็ชี้ไปที่พัยดยศที่ปักอยู่จากนั้นชาวบ้านก็ช่วนเข็นเรือแหละจนถึงบ้านงานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการไม่ยึดถือยศไม่ถือตาแหน่งท่านก็คิดว่าท่านเป็นหัวโตอ่ะไม่ใช่สมเด็จ ด, ด้วยการที่สมเด็จโตเนี่ยเป็นเจ้าวาดและเป็นคนสนิทขอ ง, ของนายหลวงจึงมีคนประจบประแจงมากมายโดยเฉพาะลูกวัด ต่อหน้าท่านเนี่ยก็จะเอ อ, อท่านปรึกษาอะไรก็เห็นดีด้วยไม่ขัดแย้งทุกครั้งไปจนทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดคือแต่ละคนเนี่ยประจบ ป, ประแจงแบบไม่จริงใจจึงคิดทดสอบพระนในวัดดูแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนนำแกงวุ้นเส้นชามใหญ่เลยมาถวายทำให้ท่านเกิดไอเดียขึ้นมา ว่าจะทดสอบพระเนรในวัดจึงสั่งให้เนเ น, เนี่ยนำกระทะใบบัวจากใบใหญ่มาเลยแล้วก็เติมน้ำไม่เต็มต้มให้เดือดแล้วท่านก็เอาแกงวุน้นเส้นชามนั้นใส่ลงไปแล้วก็เอากับข้าวต่างๆเนี่ยที่ฉันรอนเช้าเนี่ยเทใส่ลงไปแบบเละเทะหมดเลยแล้วก็ให้ให้เนเนี่ยไปเก็บผักบุ้งอมหันป็นบุ้งๆแล้วก็ใส่ลงไปใน กระทะทึงดูไม่น่ากินเลยแล้วท่านก็บอกให้เนรไปป ร, ประกาศว่าให้พระเนรทุกรูปนะมารับอาหารเพนขวัวโตทําเองกับมือสู่สแล้ววันนั้นพระเนรก็มารับแล้วก็ทานอาหารที่ทําจากขวัวโตกันทั่วหน้าคันถึงตอนเย็นท่านก็มาดักที่โบสถ์เพราะพระเนรต้องมาทำวัดนไง ขญญ้าบะเย็นแล้วข้านถามพระเทยวรูปเป็นไงบ้างอาหารที่ฉันทําเนี่ยอร่อยดีไหมพระทุกรูปอร่อยดีครับรูปแล้วรูปเล่าอร่อยดีหมดเลยจนมาถึงหลวงตาที่บวชมาหลายาสิบพรรษาสมเปรโตจึงเอ่ยถามหลวงตาขัวตาแกงล้อที่ฉันทำเนี่ย เป็นไงบ้างอร่อยดีไหมขวามองหน้าสุเบโตแล้วเอ่ยขึ้นว่าไม่ไหวพระเดชพระคุณท่านกับผมเน่ยเทเห ม, มาหมามันยังไม่กินเลยสุเบโตก็พนมมือบอกสาธุสาธุาธขวานเนี่ยเป็นพระแท้ไม่พูดมุสาหลังจากเข้าโบสถ์สบวบันทัสเสร็จ สมัยโตก็อบรมพระเนนเรื่องการมุสาให้อยู่ในศีลได้ทมแล้วก็ยกชื่นชมขัวตาว่ามีศีลบริสุทธิ์เรื่องนี้ก็จบอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าวาดเนี่ยอยู่ในแสดงที่โดนหลอกลวงมากที่สุดเลยยิ่งเจ้าวาดดังเนี่ยคนยิ่งหลอกลวงเยอะถ้าไม่ดังคนก็ไม่เคยสนใจอะไรหรอกบางวัดในเจ้าวาด เสพยาบ้าเนี่ยลูกวัดเสพด้วยโดนจับศึกยกวัดก็มีเราได้ยินข่าวบ่อยๆแต่ถ้าเจ้าอาวาสว่าดังเนี่ยใครๆก็ประจบรับหลังก็ทําอย่างต่อหน้าทํำอย่างหนึ่งถ้าเจ้าอาวาสไมีปัญญาเนี่ยจะต้อโดนหลอกมากมายเลยคือความจริงสิ่งที่แสดงเนี่ยเจ้าวาวาจะมองเห็นด้านดีด้านเดียวจากคนทั่วไปไอ้ด้านมืดเนี่ยจะไม่เห็นเลยจะไม่รู้เรื่องเลยเมื่อจะพระแอบสู่บุรีหรือพูดจาหยาบคายหรือทําอะไรชั่วๆ เจ้าวาดจะเห็นด้านบวกเพราะว่าเขาก็ปกปิดด้านไม่ดีไว้ไม่เห็นแล้วก็ทุกสิ่งที่ได้รับก็คือการเอาอกอใจการเยินยอต่างๆซึ่งถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยก็เสียคนเหลอเจ้าวาดแต่เจ้าวาดมีปัญญาก็จะพิจารณาดูเฮ้ยไอ้นี่จริงหรือไม่จริงควรทําไงคือหัวโขนอันนี้ถ้าใช้เป็นก็มีประโยชน์กับส่วนรวมใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษเป็นโทษมหารเลยแหละ ทำให้วัดไม่เกิดความสงบสุขคนประจบสอพอตอแหลได้ดีคนดีถูกใส่ร้ายหาความสงบสุขไม่ได้เลยถ้าเจ้าวาดบริหารวัดไม่เป็นเรื่องต่อมาเรื่องนี้อาจมาอ่านในเ c e บุ๊กแล้วก็จำมาเล่าเป็นเรื่องที่มีแง่คิดดีเหมือนกันมีชายสองคนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งชื่อว่าฉลาดอีกคนเื่งชื่อว่าซื่อสัตย์ทั้งสอง ไปเที่ยวทะเลด้วยกันแต่โชคร้ายตอนนั้นมีพายุและขึ้นลมแรงทำให้เรือล่มและเเรือนั้นก็มีมีเรือเรือยางแค่อันเดียวฉลาดซึ่งเห็นก็นตัวก็ถีบซื่อสัตว์ตกทะเลแล้วตัวเองก็ไปนั่งเรือชูชีพหนีไปซื่อสัตว์ตกในน้ำก็ทุรักทุเระเพื่อความเอาชีวิตรอด ก็วนะ่ายน้ำาต็ที่ากับกายไปจนถึงเกาะแห่งหนึ่งในเกาะไทโยมจะฟังอธิบายสรุก็นึกถึงเกาะในการ์ตูนไขว่เลาะแหละอาจจะมีต้นมะพร้าพาสองสามต้นเกาะเล็กๆอย่างเงี้ยสัตว์ขึ้นไปบนเกาะได้ก็รักาาชีวิตรอดก็รอความหวังอะ่ะรอเรือมาช่วยสักพักใหญ่ๆก็มีเสียงเพลงดังขึ้นแล้วก็มีเรือลำหนึ่งแล่นเข้ามา เรือก็ทงก็พิวไปพิวมาบนทงเขียนว่าความสุขซื่อสัตว์ตะโกนของความชื่อเลือความสุขช่วยเราด้วยเราชื่อว่าซื่อสัตว์ความสุขพอรู้ว่าเป็นซื่อสัตว์ก็ไปเสดที่จะไม่ช่วยโดยเอกขึ้นว่าเราคือความสุขถ้าเราซื่อสัตว์เนี่ย เราก็จะหาความสุขยากเพราะว่าสังเกตดูคนที่พูดจาตรงไปตรงมาหรือพูดความจริงเนี่ยมักจะเดือดร้อนภายหลังฉะนั้นความสุขจึงไปเศษไม่ให้สื่อสัตว์ขึ้นเรือด้วยแล้วก็จากไปอย่างไม่ใหญ่ดีสื่อสัตว์ก็รอต่อไปสักพักหนึ่งก็มีเรือติดธงเข้ามา เรือลนี้ที่รงเขียนว่าตำแหน่งสื่อสัตว์ก็เอ่ยเหมือนเดิมแหละขอให้ตำแหน่งช่วยช่วยด้วยพอตำแหน่งรู้ว่าเป็นสื่อสัตว์ก็ไปเสดแบบไม่ให่ดีเลยโดยบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องห้ำหันก่อยได้ตำแหน่งมาถ้าเกิดเป็นคนสื่อสัตว์ ตำแหน่งก็ไปได้ไม่ไกลไม่ทันเลลี่ยงคนอื่นจึงจากไปอย่างไม่ใ่ดีถอยหซื่อสัตว์สิ้นหวังแล้วก็รอต่อไปสักพักหนึ่งก็มีเรือแล่นเข้ามาที่ทงของเรือชื่อว่าแข่งขันซื่อสัต์ของเชื่อเหลือเหมือเดิมพอแข่งขันรู้ว่าเป็นซื่อสัตว์อ่แข่งขันก็ไปเสด ไม่ยอมให้ขึ้นเรือบอกว่าทุกวันนี้สังคมเนี่ยมีการแข่งขันสูงมากถ้าเกิดมีซื่อสัตว์ด้วยก็จะแข่งขันไม่ชนะจึงจึงไปเสษแล้วก็จากไปทำให้ซื่อสัตว์ท้อแท้และสิ้นหวังสักพักหนึ่งก็มีพายุแล้วก็มีฟ้าผ่าขึ้นทะเลลมแรงมากท้องฟ้ามืด ดูน่ากลัวฟ้าร้องฟ้าผ่าขาดที่ซื่อสัตย์กำลังสิ้นหวังอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงที่อบอ้อมอารีว่าขึ้นเรือมาเถอะลูกซื่อสัตย์ก็งงจึงเอ่ยถามว่าทำไมท่านถึงไม่ลังเกียจเราซื่อสัตย์เราคือผู้เท่าแห่งกาลเวลาเพราะกาลเวลานี่แหละจะเป็นเครื่องพิสูจน์ของความซื่อสัตย์จึงชวนซื่อสัตย์ขึ้นเรือแล้วไปด้วยกัน ขณะที่เรือเล่นผ่านก็เห็นฉลาดเห็นตำแหน่งแล้วก็แข่งขันกำลังตะเกียดร ก, กายจมน้ำอยู่เพราะเรืออับบางชีวิตแทบไม่รอดผู้เท่ากาบเวลาก็เอ่ยขึ้นว่าถ้าหากไร้ความซื่อสัตย์เนี่ยฉลาดก็จะทำร้ายตัวเอง ความสุขก็จะไม่จีรังตำแหน่งก็อยู่ท่ามกลางเสียงสาบแช่งแข่งขันก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้มีแต่ซื่อสัตว์เท่านั้นที่อยู่เป็นอมะตะนิรันดร์การเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานซื่อสัตว์จึงมีความสุขมากคนอื่นมีความมั่นคงเข้ากับการเวลาได้เพราะการเวลาเครือมสูตนไ แต่ท่านยังไม่พอนะเราต้องมองโลกแง่ดีด้วยอธิ่าอ่านหนังสือชวนบันชื่นของอาจารย์พมเรื่องอีกสองก้อนอ่านเรื่องนี้ให้แง่คิดพูดได้หลายครั้งเลยเรื่องอีกสองก้อนเนี่ยเมื่อก่อนวัดอาจารย์พมอยู่นะเป็นวัดยากจนเวลาทำอะไรก็ต้องพระต้องทำเองอะไม่มีตังค์ไปจ้างพวกช่างหรอกพระก็ฝึก ก่อสร้างฝึกทํานูนทําำนี่เองจนเป็นจนเก่งอะ่ะจย์ผมก็ไปทํากําแพงขาที่ก่ออิดเนี่ยถ้าก็ตั้งใจทํามากเลยก่อจนเสร็จท่านก็เหลือบไปเห็นอีกสองก้อนที่มันอยู่ตําแหน่งที่แบบนูรนนูน่นออกมาผิดตําแหน่งท่านทุกข์ใจมากเลยไปปรึกษาเจ้า ว, วาดขอให้ทุบ ก, กําแพงทําใหม่ได้ไหมเจ้า ว, วาดเห็นว่าไม่มีสาระเลยแม่นุมัตรก็เลยปล่อยผ่านไป แต่เรื่องนี้คาใจอาจารย์ผมมากหลังจากกําแพงสร้างเสร็จแล้วเวลามีคนมาเที่ยวชมวัดเนี่ยท่านเจ้ามักจะไม่ยอมพาไปดูแต่แล้วมีอยู่วันหนึงผ่านไปหลายเดือนแล้วแหละก็มีชายคนหนึงเดินผ่านกําแพงแล้วก็ชมว่ากําแพงเนี่ยสวยดีอาจารย์ผมอยู่แถวนั้นก็เ อ, อ่ยขึ้นว่าคุณตาถั่วเหรอไม่เห็นอีสองก้อนเหรอ ที่มันไม่ได้ตำแหน่งชายคนนั้นบอกเห็นผมเห็นอีกสองก้อนแต่ผมเห็นอีกอีก9าสก้อนที่มันสวยอยู่พอชายคนนั้นพูดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยอาจารย์ผมเปลี่ยนความคิดเลยทําให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยคิดผิดมาตลอดเอาจิตไปจ้องกันอีกสองก้อนลืมลืมมองอิดที่ที่สวย9ก้ก้ก้อนท่านเลยเปลี่ยนวิธีคิด ชีวไทยมีความสูงแล้วแต้ตตหลังมาเนี่ยทําไม่สนใจเรื่องอีกสองก้อนละถ้าเปรียบก็เหมือนกับชีวิตของคนเราเนี่ยเราทํางานเราอยากได้ดีเนี่ยมางที่อาจจะมีผาดพลานิดหน่อยถ้าเราทําแบบไม่ยึดบานถือบ้านทำปล่อยวางนะเราก็อาจจะไม่มองข้อเสียก็ได้เพราะข้อดีมีเยอะกว่าอย่างในวัดเนี่ยอาจจะมีคนไม่น่ารักอยู่ไม่กี่คนหรอกคนไม่น่ารักคนเกเรคนพาลอย่างเงี้ยแต่คนดีๆเยอะยอแยะเยอ ะ, ะกว่าคนดีๆใฝ่ธรรมธรมรมะธรโมเยอะกว่าคนพาล ถ้าเราไปมองแหลคนพานชีวิตเราก็แย่เลยมองคนไม่ไมน่ารักมองสิ่งเวดล้อมที่แย่อะไรเงี้ยงานก็เหมือนกันถ้าทําอะไรแล้วส่วนใหญ่นะมันจะทําสําเร็จแล้วก็ไปมองเรื่องตัว ง, งานที่สำเร็จดีกว่าข้อปิคยอดเล็กน้อยซึ่งอาจจะผิดพลาดได้พอเรามองแบนั้นชีวิตเราไม่มีความสุขหรอกคือมองทางลบถ้าเราเปลี่ยนวิ ธ, ธีคิดในชีวิตเราก็เปลี่ยนหัวโขนก็เหมือนกันหัวโขนเนี่ยหรือตําแหน่ง ถ้าเรายืดเราก็ทุกขแล้วผัวหัวโขนเปลี่ยนตลอดเวลาเลยพอเจออาจารย์เรากเป็นลูกศิษย์เจอลูกศิษย์เราก็เป็นอาจารย์เจอพระภา ษ, ษามากกว่าเราก็เป็นอาวุโสเจอพระภาษาน้อยกว่าเราก็เป็นพันเตหรือไม่เจอพ่อเราก็เจอพ่ อ, เจ อ, พอเจอแม่เราก็เป็นลูกคือสลับตําแหน่งหัวโขนทั้งวนันเปลี่ยนตลอดนั้นเราก็ใช้หัวโขนได้เป็นหัวโขนเปลี่ยนตลอดเวลานะยึดไม่ได้เลย เวลากลับบ้านก็ต้องเอาตำแหน่งทิ้งไวแล้บางทีรับราชการบางคนเนี่ยอยู่กับครอบครัวดันทะลึ่งเอาตำแหน่งกลับบ้านอย่างเงี้ยเสร็จเลยหัวโขนมีได้ต้องวางได้แล้วก็ใช้เป็นไม่ยึดเราก็อยู่กับโลกธรมได้อย่างมีความสุขถึงแม้เจอโลกธรรมฝ่ายลบก็ตามเราพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอญาตโยมอยู่กับโลกธรรมแบบมีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นไปเอวัง